เรื่องเผาป่าสามเรื่อง190สมัยนั้นพวกภิกษุชาวพคีเผาป่าพวกชาวบ้านถูกไฟคลอกตายภิกษุเหล่านั้นเกิดความกังวลใจว่าพวกเราต้องอาบัตปาราเชกหรือนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอไม่มีความประสงค์จะฆ่าไม่ต้องอาบัตวงเล็บ เรื่่องที 97. สมัยนั้นพวกพิสูจน์ชาพคีมีความประสงค์จะฆ่าจึงเผาป่าพวกชาวบ้านถูกไฟคลอกตายพิสษุนเหล่านั้นเกิดความกังวลใจว่าพวกเราต้องอาบัตปาราชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระองค์ตรัสว่าพิสษุทั้งหลายพวกเธอ ต้องอบัดปาราชิกวงเล็บเรื่องที่98สมัยนั้นพวกภิกษุชัวพคีมีความประสงค์จะฆ่าจึงเผาป่าพวกชาวบ้านถูกไฟคลอกแต่ไม่ตายภิกษุเหล่านั้นเกิดความกังวลใจว่าพวกเราต้องอบัดปาราชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกลาบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอไม่ต้องอบัตปาราชิก แต่ต้องอาบัตรุรละใจวงเล็บเรื่องที่99